กำลังทำาชั่วอยู่แท้ๆกลับมีผลดีมากมายเช่นลาบยศสรนเสริญสุขล่างไหลเข้ามาในชีวิตตรงกันข้ามบางคราวกำลังทำความดีอยู่อย่างมโหลาณแต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆมีผลไม่ดีมากมายเช่นความเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายถูกสบประมาท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 เมื่อทาไม่ถูกใจของผู้มีอำนาจให้ยศหรือถอดยศคนทาดีอาจถูกตีเตียนก็ได้ถ้าคนผู้ตีเตียนมีใจไม่เป็นธรรมหรือคติจงใจใส่ร้ายเขาคนทาดีอาจต้องประสบทุกข์ก็ได้เพราะต้องมีความอดทนต่อความลำบากตรากตรำกายและความเจ็บใจเช่นความลำบากกายลำบากใจในการเลี้ยงดูบุตรและสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี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 วสินอินทสระในตอนนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้รายละเอียดแห่งกรรมจึงขอกล่าวถึงกรรมสบสองซึ่งจัดตามหน้าที่จัดตามแรงหนักเบาและจัดตามการที่ให้ผลเมื่อทราบคาจากัดความของกรรมประเภทต่างๆแล้วผู้อ่านบางท่านที่ยังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งใจร้อนทาใจเย็นๆไว้ก่อนและขอให้อ่านต่อไปจะเข้าใจดีขึ้นอย่างแน่นอน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 ฝ่ายชั่วหมายถึงอนันตริยกรรม5คือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอาราหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อโลหิตทำสงฆ์ผู้สมัครีกันให้แตกกัน 2. อาจินนกรรมหรือพระหุระกรรมกรรมที่ทำจึงเคยชินหรือทำมากทำสม่ำเสมอกรรมนี้จะให้ผลยั่งยืนมาก 3. อาสันนกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนสิ้นชีวิต